บุอย่างไรให้เกิดปัญญาแบบต่างๆถามทราบว่าเคยมีผู้ถวายประทีปและอธิษฐานขอให้มีปัญญาชาติต่อมาก็ได้มีปัญญาสมใจแต่ก็มีผู้ถวายมีดโกนแล้วขอให้มีปัญญาชาติต่อมาก็ได้มีปัญญาสมใจเช่นกันอีกที่สงสัยคือตกลงถ้าอยากมีปัญญามากควรถวายอะไรกันแน่ ตอบของถวายเป็นแค่ตัวตั้งครับถวายอะไรจิตก็จับสิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายของบุญทีนี้ประสงค์ให้บุญบรรดาลผลอันใดผลอันนั้นก็จะปรากฏตามคําอธิษฐานส่วนจะช้าหรือเร็วจะมีคุณสมบัติหรือคุณภาพเพียงใดก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปบุญเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองพอเทียบเคียงได้กับความร้อน เราใช้ความร้อนทำอะไรได้หลายอย่างตามประสงค์ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเอามาต้มน้ำเอามาทำให้เสื้อผ้าแห้งหรือเอามาทำให้อาหารสุกคุณแ่งความร้อนไปที่วัตถุชิ้นไหนวัตถุชิ้นนั้นก็ร้อนขึ้นตามต้องการถ้าหากคุณทำบุญเป็นข้าวของเครื่องใช้ตั้งต้นด้วยความปรารถนาดีอยากให้ผู้รับได้ใช้ประโยชน์จากของชิ้นนั้นนั้น ผลโดยตรงคือจะทำให้เป็นผู้มีรสนิยมดีเกิดชาติหน้าวิบากกรรมจะจัดสรรให้เป็นผู้มีสิทธิ์เกิดในบ้านคนรวยและในชาตินี้เองถ้าทำทานด้วยเจตนาเดิมนี้เป็นประจำก็อาจปรับฐานะให้ดีขึ้นพอสบายสมควรแก่อัตภาพได้แต่จะไม่ให้ผลใหญ่เท่าตอนล้างไพ่เกิดชาติใหม่ นอกจากนี้ยังมีอนิสงส์งเป็นการลดละความละโมบโลภมากจิตใจเยือกเย็นลงได้ความสบายทางใจในปัจจุบันอีกโสดแต่หากคุณทำบุญเป็นข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเดียวกันกับขั้งต้นมีความยินดีในการให้เปล่ามีความยินดีที่มีผู้ใช้ของคุณแล้วและแถมด้วยการอธิษฐานหวังผลในทางใดทางหนึ่งผลของทานก็จะแคบลงมา กล่าวคือไม่ได้ให้ผลแบบเวียงแหกกว้างๆทว่าเล็งตรงจำเพาะเจาะจงตามปรารถนาซึ่งถ้าหากอธิษฐานซ้ำๆจนสั่งสมกำลังบุญมากพอก็อาจเกิดผลที่สมน้ำสมเนื้อในสมวันหรือสมปีได้ไม่ต้องรอชาติหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญหวังความมีปัญญาก่อนอื่น ต้องมองว่าปัญญาเป็นสมบัติติดตัวเป็นนามธรรมเป็นคุณภาพของจิตอย่างหนึ่งซึ่งโดยรวมแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอองค์ประกอบมากมายเหมือนเข้าของเงินทองภายนอกที่เป็นรูปประธรรมเพราะตามธรรมชาติของจิตนั้นขอเพียงหนักไปในทางกุศลสว่างขจัดม่านหมอกความหลงผิดสามารถเห็นอะไรตามจริงก็เริ่มเกิดปัญญาได้ทันทีแล้ว ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากทําบุญอย่างสม่ำเสมอและอธิฐานขอให้สติปัญญาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มักได้ผลกันในเวลาไม่เนิ่นช้าเกินรอเหมือนอย่างอธิฐานของเงินทองคราวนี้มาดูในคำถามเกี่ยวกับวัตถุบุญอันเป็นที่ตั้งของการอธิฐานขอมีปัญญาดีผมขอแจกแจงรายละเอียดดังนี้ 1. การถวายโคมไฟประดับโบสถ์หรือปักตามทางเดินในวัดให้สว่างสวัยเห็นทั่วกำจัดจุดอันตรายอันเกิดจากสัตว์ที่แฝงอยู่ในความมืดนั้นเมื่อทำสำเร็จแล้วเกิดความยินดีแล้วว่าโบสถ์หรือทางเดินวัดสว่างสวัยด้วยทานของคุณจิตจะจับความสว่างเป็นที่ตั้งของบุญดังนั้นเมื่ออธิษฐานขอให้ได้เป็นผู้มีปัญญาสว่างสวัยเช่นนั้น ก็ย่อมสำเร็จผลตามปรารถนามีปัญญาอันสว่างแจ้งเมื่อถวายทานด้วยไฟเป็นประจำทํามากทําด้วยความเข้าใจทําด้วยความยินดีว่าวัดจะสว่างเพราะทานของคุณกระทั่งถึงจุดที่กําลังบุญใหม่เหนือระดับบุญเก่าทางปัญญาปัญญาของคุณจะดีขึ้นผิดหูผิดตาเมื่อต้องคิดอ่านแก้ไขปัญหา จิตจะมีลักษณะของความสว่างแจ้งผุดความเข้าใจกระจ่างขณะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ชวนให้คนอื่นรู้สึกมืดมน8ดด้านการทำบุญในลักษณะนี้ขอแนะนำสำหรับผู้รู้สึกตัวว่ามีปัญญาทึบคือพอจะต้องแก้ปัญหาอะไรแล้วมืด8ด้านไปหมดหรือคลำหาจุดเริ่มต้นของทางออกไม่ค่อยเจอหากทำบุญลักษณะนี้ไปตลอดชีวิต เกิดชาติใหม่ปัญญาจะเรืองรองคือรู้แจ้งได้ไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอันเป็นมุมมืดหรืออยากจะมีจุดอับที่จิตส่องสว่างเข้าไปไม่ถึงนอกจากนั้นผลของปัญญาที่เกิดจากบุญประเภทนี้มักเป็นไปในทางนุ่มนวลประนีประนอมไม่ชอบใช้วิธีแก้ปัญหาแบบหักด้ามพระด้วยเขาอีกด้วย 2. การถวายมีดโกนเพื่อให้พระโกนศีรษะปลงผมคิดเกื้อกูลให้พวกท่านโกนหนวดเคราอันเป็นสภาพรกเรือดูไม่สบายตาเมื่อเกิดความยินดีว่าพระภิกษุสงฆ์จะได้กําจัดความรุงรังทางกายออกจนเกลี้ยงกล่ำโดยง่ายด้วยมีดโกนอันคมกริบของคุณแล้วจิตจะจับความคมกริบของใบมีดเป็นที่ตั้งของบุญดังนั้น เมื่ออธิษฐานขอให้ได้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้าเช่นนั้นก็ย่อมสำฤทธิผลตามปรารถนามีปัญญาอันคมกล้าเมื่อถวายทานด้วยมีดโกนเป็นประจำทำมากทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความยินดีว่าพระท่านจะมีรูปศีรษะเกลี้ยงเกลาตามพระวินัยเพราะทานของคุณกระทั่งถึงจุดที่กำลังบุญใหม่เหนือระดับบุญเก่าทางปัญญา ปัญญาของคุณจะดีขึ้นผิดหูผิดตาพอต้องคิดแก้ปัญหาจิตจะมีลักษณะของสติสัมปชัญญะคมชัดจับจุดปัญหาได้เร็วเพ่งเล็งเห็นเป้าที่ต้องตีให้แตกได้ชัดถนัดและสามารถฝ่าฟันปัญหาได้หลายชั้นไม่ติดขัดคบปัญหาได้แตกเป็นปลอบเปลาะแบบฉับพลันหรืออย่างน้อยก็ไม่เนื่อช้าจนสายเกินการ การทำบุญในลักษณะนี้ขอแนะนำสำหรับผู้รู้สึกตัวว่ามีปัญญาทื่อคือรู้ตัวว่าเฉื่อยใช้สมองกัดปัญหาไม่ได้ลึกเห็นปัญหาทั้งหลายเป็นของยากเย็นแสนเข็นไปหมดหากทำบุญ ล, ลักษณะนี้ไปตลอดชีวิตเกิดชาติใหม่ปัญญาจะคมเหมือนดาบสมูไรคือฟันปัญหาฉับฉับขาดเป็นท่อนๆไม่ติดขัดไม่มีกำแพงปัญหาใดแข็งเกินคมปัญญาของคุณทะลวงผ่าน อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงของปัญญาที่เกิดจากบุญประเภทนี้มักเป็นไปในทางแข็งกระด้างเทียบแล้วมีแนวโน้มว่าอัตตาจะแรงกว่าปัญญาประเภทแรกและธรรมดาผู้เกิดมาพร้อมปัญญาคมกล้ามักบ้าบินทนงว่าไอคิวสูงชอบข่มชาวบ้านด้วยความฉลาดพริกแพลงแห่งตนตรงนี้ก็สามารถทาบุญเพิ่มเติมเพื่อแก้เคล็ด โดยขออาศัยพระขัดห้องน้ำห้องท่าในวัดแล้วอธิษฐานให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ดูถูกดูหมิ่นใครเพราะทนงในปัญญาอันคมกล้านี่ก็จะเป็นบุญที่ขานกันพอดีไม่ให้เหลิงได้จิตนั้นมีความวิจิตพิสดานักทำบุญอะไรแล้วอธิษฐานก็จะได้ผลตามทิศทางนั้นๆมากบ้างน้อยบ้างเสมอ คุณจะคิดปรุงแต่งบุญให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรก็ได้เช่นซื้ออาหารอร่อยๆไปให้พ่อแม่หรือผู้ทรงศีลสัตว์กินเมื่อเห็นถูกปากพวกท่านจนคุณเกิดความปลื้มใจในฐานของตนดีแล้วก็อาจอาธิษฐานขอให้มีปัญญาคบคิดปัญหาได้อย่างอรเร็จอร่อยอันนี้ผลอาจได้เป็นผู้เพลินคิดแก้ปัญหาจนพวกเล่นหมากรุกได้นานๆยิ่งคิดยิ่งมันยิ่งคันสมอง ยิ่งแตกแขนงใช้สมองได้ไม่รู้เบื่อเป็นต้นในแง่ของการทำทานด้วยวัตถุเพื่อหวังปัญญาคงไม่มีอะไรเกินถวายหนังสือธรรมะสร้างห้องสมุดให้วัดแต่จิตคุณต้องจับอยู่ที่เนื้อหาในหนังสือจนปลื้มจริงๆพูดง่ายๆคือคุณต้องอ่านก่อนได้ประโยชน์ก่อนแล้วจึงคิดบริจาค แต่ละคนจะเข้าใจธรรมะไม่เหมือนกันนับถือแนวคําสอนของพระหรือครูบาอาจารย์ต่างกันขอให้เลือกตามที่คุณมีจิตแช่มชื่นและให้แน่ใจว่าหนังสือนั้นนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกที่ตรงจริงๆเถิดหากไม่แน่ใจถวายพระไตรปิฎกฉบับของท่านอาจารย์สุชีพจะประกันความปลอดภัยสูงสุดหนังสือธรรมะนั้นถ้าปลื่มผิดผิดและเอาไปถวายพระ จะชักนําให้คุณติดอยู่ในแนวทางผิดๆแบบนั้นลึกเกินกว่าจาคะคเนถูที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นความจริงแล้วคือการทําบุญซึ่งไม่ใช่เหตุแห่งปัญญาโดยตรงเมื่อไม่ใช่เหตุโดยตรงย่อมไม่ให้ผลสม่ําเสมอไม่ให้ผลกว้างใหญ่ไพศาล ส, สมบูรณ์แบบทางที่ดีขอให้เผื่อทางเลือกสุดท้าย ตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามจะได้ชื่อว่าสร้างเหตุแห่งการเป็นผู้มีปัญญามากก็เมื่อเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรที่ทำแล้วเป็นโทษหรือเป็นไปเพื่อต้องทนทุกข์จนสิ้นกาลนานอะไรที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเป็นไปเพื่อความสุขจนสิ้นกาลนานเมื่อไถ่าถามหรือไฝ่รู้อยู่โดยอาการอย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อเผชิญกับปัญหาให้ขบคิดจิตจะมีลักษณะเตืนรู้ตามจริง ทั้งสว่างสวัยและคงกริบเมื่อคนคิดจะพยายามตัดตรงเข้าสู่แก่นของปัญหาไม่เนิ่นช้าใช้ใจช่างตวงวัดเอาได้ว่าทางแก้ไหนมีน้ำหนักผลดีผลเสียมากกว่ากันนอกจากนั้นยังมีปัญญามากอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ปลุบลุกโผล่เอาแน่ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรอผลยาวไกลถึงชาติหน้าพระพุทธองค์ยังตรัสเหตุที่จะก่อให้เกิดผลเป็นปัญญาในปัจจุบันคือการพยายามตั้งสติระลึกรู้ความเป็นไปต่างๆในร่างกายอยู่เสมอเสมอนับตั้งแต่ดูว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือว่าสั้นดูไปดูไปจนกระทั่งเห็นชัดล่วงเข้าไปถึงกิริยาท่าทางต่างๆ ว่ากำลังนั่งเดินยืนนอนด้วยลักษณะอย่างไรและในแต่ละขณะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สงบหรือฟุ้งซ่านดูเป็นตอนๆไปเรื่อยๆโดยไม่ปล่อยให้จิตเสียกำลังสติไปในเรื่องฟุ้งซ่านมั่วซัวทั้งหลายในที่สุดก็จะเกิดปัญญาชนิดพิเศษเห็นแจ้งว่ากายไม่น่ายึดมั่นถือมั่น ผู้ฝึกสติดังกล่าวนี้เมื่อเผชิญปัญหาจิตจะมีลักษณะของการรู้แจ้งแทงตลอดประกอบด้วยกำลังสติสัมปะชัญญะเกินสามัญมนุษย์คือถึงขั้นแก้ปัญหาได้ด้วยญาณอย่างรู้ลึกซึง้งผิดแผกแตกต่างจากธรรมชาติของการคิดนึกธรรมดาคนอื่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงผู้ทรงสติสัมปชัญญะตามแนวทางพระพุทธเจ้าอาจใช้เวลาเพียงพริบตาเดียว ก็ได้คําตอบออกมาแล้วอันที่จริงการฝึกฝนให้เกิดปัญญานั้นจะอาศัยกลวิธีแบบโลกโลกก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบการอันเป็นบุญกุศลในขอบเขตของพุทธศาสนาอย่างเดียวเพียงแต่ความฉลาดหรือไอคิวที่เกิดขึ้นโดยปราศจากบุญในพุทธศาสนารองรับนั้นไม่มีอะไรเป็นประกันว่า ส่งขึ้นฟ้าหรือผลักลงเหวโน้มเอียงไปก่อกรรมทำชั่วหรือสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โลกเอาความมีใจบุญเป็นฐานหล่อเลี้ยงความฉลาดนั่นแหละครับจะได้ชื่อว่าฉลาดอย่างประเสริฐสุดแล้ว